เราที่อยู่ด้วยกันนอกจากเป็นเมตเป็นเพื่อนร่วมอยู่ร่วมสุขร่วมทุกปฏิบัติธรรมแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่เราจําเป็นก็ต้องพูดต้องจ่าปาใสปาโลภธรรมตัวกันฟังเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติอะไรยินอะไรฟัง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 แต่ว่าการกระทาเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราไม่มีการกระทาแม้ว่าเราจะฟังมันก็เกิดประโยช น, น์ได้น้อยเพราะสิ่งที่หลวงพ่อพูดไม่ได้พูดให้จำพูดให้ออกไปทาเป็นการเจริญสตินะทำอย่างไรมันจึงจะมีสติต่อซิกแซกได้หลายรูปแบบ เพื่อจะให้มีความรู้สึกตัวความคลัง่งลูกแบบมันก็ไม่ไม่รู้กม็มันสู้ความหลงได้ได้ได้ยากสู้ความหลงไม่ได้เลยก็มเราก็ต้องหาห <c oughs> าวิธีอันอื่นแล้วก็อย่าหมกมุ่น ทำสิ่งใด้โปร่งใสให้เปิดเผยให้ให้ยิ่งแย่เตี้ยมสั่แล้วก็ทำทุกอย่างทั้งร่างกายและจิตใจทั้งสิ่งแวดล้อมไปในตัวเสร็จถ้าเราไม่มีมิร ภายนอกเราก็ต้องเป็นมิตรกับตัวเราให้ได้มิตรคืออย่าทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่าทำให้ตเองเป็นสุขอย่าทำให้ตัวเองหลงอย่าทำให้ตัวเองเป็นผิด เ, เ, เป็นถูกเป็นมิตรจริงๆมัเหนือทุกอย่างมันสุขก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นมันผิดก็เห็นมันถูกก็เห็นอันนั้นแหละหมิตรกัญญาณ ม, มิตร ถผิดถ้ายังถูกยังผิดมันก็ยังไม่มีมิดแท้ยังหลุดยังหลงนะ <c oughs> ะต้องหลงไปกับความผิดความถูกย่ต้องหลงไปกับความสุขค ว, สกกความทุกข์ความสุขก็หลงความทุกข์ก็หลงเอาเอาทั้งสองอย่าง ให้เราเห็นทั้งสองอย่างนะการเป็นมิตรกับตัวเองนะนแบบนี้ระเบโ ป, ป่งใสเปิดเผยไม่ใช่มูกยิบถ้าสุล็ลอ้พอใจถ้าทุกข์กลบอ้เศร้าหมองไม่ใช่แต่ท่านไม่ไม่ป่งใสการปฏิบัติธรรมนั้นมันสนุกถ้าทำถูกนาะ ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากความยุ่งยากไม่มีมีแต่ภาวะที่ประสบการมีแต่บทเรียนต่พึ่ดตะพืะพ้ไปอ ะ, อะไรก็ตามเป็นบทเรียนทั้งนั้นความผิดก็เป็นบทเรียนความถูกก็เป็นบทเรียนความทุกข์ก็เป็นบทเรียนความสุขก็เป็นบทเรียนไม่เสียหายเลย อันงที่หลวงพ่อพูดอยู่เสมอให้เป็นผู้ดูเหตุเห็นมันสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นเนี่ยเนี่ยมันจะเสียหายตรงไหนถ้าสุขก็ชอบถ้าทุกข์ก็ไม่ชอบมันไม่ใช่ไม่ใช่มักแบบนั้นมันไม่ใช่มั่กนี่เราก็เห็นอยู่ทุกวันทุกวันสิ่งเหลนี้นแต่เราเห็นไม่จริง เห็นสุขเป็นความสุขเห็นไม่จริงเห็นทุกข์เป็นความทุกข์เห็นไม่จริ ง, ว, รงวิธีปฏิบัติรัดรั ด, ดสั้นสั้นปฏิบัติแบบสัมผัสได้ถ้าเป็นความอิ่มก็อิ่มไปเลยไม่ต้องไปคิดว่าจะ ต, ต้องปิ้งต้องแกงต้องวิธีทำอะไรไม่ใช่ให้มันได้ดื่มลดพฤติกรรมกันเปอ เอาจริงๆมันก็มีรถเดียวประสุขไม่ใช่ลถประทุกไม่ใช่รดถ้าเห็นวันสุขเห็นวันทุกข์ลดล ด, ลดประธรรมลดประธรรมอยู่ตรงนั้นหรือว่าเห็นเห็นเห็นของจริงเห็นของจริงอย่างกับศึกมันทําอะไรถ้าเห็นแบบนี้มันทําอะไรบะทั้งหมดของพรห ม, มจรรย์ ทั้งหมดของภพมจรัตทั้งหมดของมรรคทั้งหมดของอริยสัจสิปักเดียวลูดไปเลยลูดไปเลยอลู่ลู่ไปเลยมันรวนมากการปฏิบัติทำไม่ต้องอสักชา้าไม่ต้องเพราะว่าพระองค์มันเป็นเรื่องรวดเร็วใช่ถ้าทําแบบนี้แป๊บเดียวไปละเหมือนมันมัน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 เช่นสมมติมันอยาดที่เป็นรูปแบบอะไรต่างๆที่ที่เป็นเรื่องอเปลือกๆ อ, อย่างที่หลวงพ่อพูดว่าสปาสโกโตเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่เห็นสมาทานศีลไม่เห็นขอกรรมฐ า, านไม่ต้องมีเวลา พานั่งเท่านั่งชั่วโงพเดินท่านั่งชวโมงคือให้มันนอกระบบสักอยการปฏิบัติธรรมอย่าให้มันรู้ว่าเราเป็นนักปฏิบัติคนละดีที่สุดถ้าเป็นนั่งรับตาเดินยอ่ยอมยอ่อมย่อมมันอยู่ในระบบมันไม่ใช่ของจริงของจริงมันต้องเห็นหลงเห็นรู้เห็นสุขเห็นทุกข์ ไม่ใช่รูปแบบเลยแต่ตัวสติยมันไม่ได้อยู่ในรีบทไตความรู้สึกตัวอยู่ทุกบรีบดนมันจสมาหนึ่งหลวงพ่อไปประเทศพ ม, ามา่อาอาจารย์สอนกับมระม า, านพ่อก็ไปเยี่ยมเขาก็ปลูกบ้านได้สองหลังหลังหนึ่งเป็นของบาศก์หลังหนึ่งเป็นของวาสิกา ระว่างของอาจารย์อีกหลังหนึ่งแล้วก็ขึ้นไป ก, ไกรับาพระมรลกศิกขึ้นไปบอกอาจารย์บอกว่ามีพระมาจากเมืองไทยก็ไปท่านก็นานๆตลอดนั่งรอเปิดประตูก็ค่อยๆเปิดนะแล้วก็เดินย่อมย่อมขนาด คนสะอาจแม่สะอาดมาหาลวงพ่อนะใช้เวลานะนานเดินย่อย่องหลับตามนาะมาถึงเราก็ค่อยนั่งอาเมื่อวางไว้นั่งหลับตาไม่ดูหน้ากันเลยไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ไม่มองนานเลยแล้วก็พูดกันทั้งก็พูดหลับตาพูดนะ จำเป็นอย่างนั้นเลยต้องถึงถือว่าเป็นปฏิบัติถ้าช้าอย่างนั้นจะทำอะไรได้จะหลบรถได้ไหมในสาวาลรถวิ่งมาจะได้จะหลบรถทันไ้ยแต่ใช่นะหมถ้ <c oughs> างูไปเรื่อยมาต้องกระโดดตั้งแตะธรรมะในปฏิบัติต้องเป็นสาวฝนวิ่งก็ได้น่ น, นะเดินไปๆก็ไหนเดินช้าๆก็ได้ ขอให้มีความรู้สับตะวันอะไรก็พูดเล่นๆไปอย่าให้คนรู้จับว่าเราเป็นนักปฏิบัติจะเปิดอบรมต้องไปสัญญาต้องไปรับคำต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ลูปแบบอภิกินหมดเลยนี่แต่รูปแบบอภิกินหมดแล้วบางทีก็เหมือนกับโยแต่ในส ม, มุดันจับให้คนอื่นจับให้ ถ้าเพื่อนไม่จะให้คิดไม่เป็นสร้างสรรค์ไม่เป็นเหมือนหลวงพ่อตาพระวันนี้คนมาตั้งบ้านหนึ 7, ่งรถเจ็ดแปดคันเข้ามาวัดอาพากระดืนเชื่อเชยเย่แล้วก็วบอกว่านั่นเวลานี้เราควรทำอะไรคนมากาก็ต้องปูเสือปูเสือ แต่ถ้าได้บอกหน่อยมันจะดีไหมไม่ใช่มันจะเป็นความรู้ของเราไหมถ้าใครคิดขึ้นเออการนี้ทำอย่างไรแล้วเมื่อมีคนตาาโปวดเลขาขนาดสวด ต, ต้องเอาหน้า ท, าทันทีจับหน้ามามีจีองจิองบอกมาหาไปควกเก่าไปจับแขนามานี่มานี่มาแล้วก็มานั่งบนโต๊ะ สามองคนะ์น่ะใครเกิดพออ่ออไหนใครเกิดพออ่อออะไรคนที่เกิดก่อนพออ่นก่อนต้องเขียนก่อนคนที่เกิดตัดกันมาก็เขียนให้ติดกันอันนั้นเป็นอะไรต้องบอกครับแต่ต้องบอกกต่ถ้าไปบอกคือตลอดเวลามันใช่ความรู้ของเราไหมที่ต้องบอกกันนเนี่ยถ้าคิดขึ้นมาฉุกคิดขึ้นมาดําเนินไป นี่จึงจะเป็นหน้าที่จึงเป็นความรู้ของเราเป็นคุณธรรมของเราถ้าคนบอกไม่ใช่คุณธรรมของเราจัดอะไรให้ไม่แต่คนบอกใช่ถ้าทํำความดีการปฏิบัติธรรมของมันนั้นต้องเกรงใจหลวงพ่อต้องเกรงใจอาจารย์ถ้าไมไปไม่ได้อาะไรก็ดีแต่ว่าดีน้อยต้องต้องดูตัวเองควรไม่ควรอย่างไร เพื่อเราจะได้จัดการกับตัวเราให้อยู่ในความชอบอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเจริญสติเนี่ยหลวงพ่อหว่านะพอตัวความพอตัวมีความพอตัวมีความคอบอะไรจะเกิดขึ้นอะไรความรู้สึกตัวไหนออกลับได้ทั้งหมดเลย เหมือนกับเขาเป็นมีวิชามวยนักมวยนักกีฬาเหมืกันพอเขาก็พอตัวมีคนขึ้นไปทีหาคู่เปรียบเขาก็แย่งกันขึ้นไปเปรียบนะแม้แต่ตัวเขาเล็ ก, กัว่าเขาก็ไปยืนเทียบไหลจนให้คนอื่นจะเห็ น, นบางคนก็ขอโชคเลยขอให้ผมโชคให้ผมโชคให้เขาพอตัวเขาเชื่อเพียงเลยเขา บางทีทำเล็กๆ น, น้อยๆนี่ถ้าเรามีความพร้อมเนาะมันก็รัวเช่นเขาตีตะปูด้วตีเท่าไหร่ก็ ง, งอตีเท่าไหร่ก็ขอตีแคหน่อยเถอะมาๆข้อนหนึาา่งไต่ต้องเอฟตางทีได้นี่บางทีมันก็โชว์โชว์ฟีมบ้างเหมือ น, นกัน เขาหลงเขาโกรธกูเราดูแล้วเราอยากจะโชว์ไปไหมกูกเรื่องแค่นี้ครับก็โกรธหรือทุกหรือลบแล้วหรือไงคนมีสีมาไม่ใช่ไปถนอมผูมม้ที่เียสติไปใช่สนอมลุยเลยเหมือนเครื่องมันดีเหมือนรถดีนะสมัยนานนู้นต้งเดินทางขึ้นเขาไปใหม่ เป็นเขาระเบิดหินขึ้นเขามีรถมาจากจังหวัดนราเอ็ดอำเภอเกษทีพิสัยประมาณับหลวงพ่อแล้วเขาก็บอกหลวงพ่อลักเขียบขัดเขาเขาต้องตรวจวิ่งให้ทันเลนล่ะขณะล้มลุ่งเนี่ยเขาระเบิดหีนหนหม่ลื่นไปเลยลื่นไปเลยรถอะไรลื่นไปได้เลยล อมพ่อไปเคยนั่งรถแบบนั้นเรื่องมันเลื่อนไปเลยเลยโอ้โหควาเชื่อเครื่องมันดีนะแต่รถของเราไม่ดีแยกไปมันยังไม่ไหวจะไปไม่รอ ด, ดและผมเขาอไดไรลดลงเขาอะไรปรากฏว่าสิบนาทีเท่านั้นหกกิโลหยอดแต่ไม่ได้ต้องหยอดลงเลยเครื่องมันดีระบบป็นดี คนมีสติก็เหมือนกันมันเลิกได้ก็ไปถึงความรู้ความรู้ความรู้คอามรู้รล้วก็จบแหละถ้าไม่รู้มันก็ต้องควงป่วยที่จะรู้ทพความรู้สุดตัวแต่มันถูกต้องมันเป็นการชอบอยู่โดยชอบความรู้สึกตัวไม่มีอะไรที่จะชอบเท่ากับเป็นความรู้สุดตัวเหมือนกับเราสวดตะเกีย ทางผู้มีสติเพ่งอยู่เหมือนดวงอาทิตย์กำจัดความมืด อ, อนั น, นความสงสัยเกิดขึ้นไม่ได้ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ <c oughs> ส่วนเราเียนสงสัยไม่มันเป็นพลังวามรู้สตัวเราเราจึงพยายามสร้างแต่ชีวิตเราตรงนี้ท่านี้ ถูกต้องที่แสดงความรู้สึกตัวตนะต้องศึกษาปฏิบัติไปไม่ใช่คตรตา้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์โน่นเป็นอย่างนี้หลวงพ่อโน่นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรออันนั่นเหนงงมือนงูปลาอไม่ไม่ใช่ไม่ชัดเจน แตย่างตัอาจารย์นั่นดีอาจารย์นี่ไม่ดีงูป่าไม่รู้ว่าเป็นงูหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นปลาสําคัญว่าเป็นปลาไปจับถูงูกับสําคัญว่าเป็นงูไม่เอาปลากพะพงสปแล้วเรื่องงูป่าแล้วตัวปฏิบัติจริงๆมันเป็นปัิจจตังต้องลูบสึดตัวลูบสุดตัวนะอ่ะหรือสุดตัวแบบอืม ชัดแจ้ทั้งชัดทั้งแจ้มแ จ, จง้งจังฟอมเราเมยโมกลางคืนใ น, นหมอกในแ จ, จแ้วแก้งจังฟองเราเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาคือมันแก้มันล่วงพ้นความมืดไหมไหมไม่ต้องสงสัยครับความรู้กับความหลงความสุขความทุกข์ อะไรตา่างๆมันแก้งอย่างนี่ยปน็นปัสนาม่เลยแก้งแบบแสงตาเนื่อมันแสงตาใหม่คือสติปัญญาผู้พามผู้มีเพียรมีสติเพ่งอยู่ความสงสัยเกิดขึ้นก็ไม่ได้ที่เด็ตั้งเกิดขึ้นก็ไม่ได้วมมูดเกิดขึ้นไม่ได้บางทีทศวรรษก็เปรเียบเหมือนช้างกินอ้อย แม่ลาอ้อยอลําไผ่มันม้วนเขาปากไปว่า ง, ง่ายง่ายอ ง, ง, ง่ายง่ายทาขอ ง, ง, งอความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่อ <c oughs> เอาเท่านี้ก็พอพวกเราท่องหมดแล้วหลางพอ่อความรู้สึกตัวเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญา เป็นทั้งมรรคเป็นทั้งผลเป็นทั้งยานเป็นทั้งฌานเราตัวตัวนะ่ะสูงสุดมีสติแล้วด้วอยู่ฌานดันสูงสุดมีสติมีสติในฌานานะั้นละอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นมีสตินว่าอยู่ในฌานเหนือการเกิดแก่เจ็บตายความเจ็บก็เป็นเรื่องหนึ่งไปถ้ามีสติไม่มี เพราะว่ามีฌามนมูลษพระเจ้าเข้าฌานตอนใกล้จับ ก, กัลินิพพานมีพระอนุรุทธะเท่านั้นที่รู้จักวาระของพระปริจารถงมวยฌานผู้ติยฌานตติยฌานจตุชฌานปัญจมฌานอนุรุทธะก็ไล่ไปพระสงฆ์ท่านพวงก็ถามาพระอนุรนุทธะพร ะ, พพร ะ, รพระพเจ้าอยู่ตรงไหนอนุรุทธะก็ทิพวารไป จนถึงมีสติแล้วเรอยู่ก็จบลงที่ตรงนั้นทางการฝึกสติเนี่ยจะไปหาอื่นไม่ต้องไปหาอะอะไรมันเป็นศีลอะไรมันเป็นสนมนนสาธิอะไรมันเป็นปัญญาบางทีมันรัดบางๆก็อาจจะไม่รู้แต่มันรู้ทีหลังนะมันจะรู้แก้งทกทวนเรื่อยเราเดินทางจากกรุงเทพมาถึงสุขโตนะ มาถึงแล้วถึงสุกโตแล้วก็มองกลับไปรู้ได้โอ้ต้องผ่านาวังน้อยเห็นกอง อ, อะไรนะตะปูล่ปากช่องเสี้ยวด่านคนทศอะนั่นนะตนน้องต้องการใช้ยาภูอตาโตนแจ่นข้อเพว่าป็นไป ใครถามไม่ต้องสงสัยถ้าเรามาถ้าเรามาีทลานก็ถูกแต่ว่าแม้นว่าจปหลงก็มาถูกจะหลงไปขึ้นเขาหลงไปทางใา้พนางามก็ยังถูกแต่ว่โกกขะเนตตอน์นั้นคนที่หลงทางมัต้องโกกอยู่แต่ว่าคุกขะเทลา น, นิดต่อ วิตของเราปฏิบัติอจจะเสียเวลานิดหต่อยไปลงสุขไปลงทุกข์นะไปลงอารมณ์ไปเป็นวิปัสสนุอ้าหลงไปแล้วจะสนุไปเป็นผู้ลูกไปแล้วเป็นผู้สุขไปแล้วคืนน้าลายตัวเองก็อิ่มเหมือนกินข้าวาตาเหมือนฝนลินใส่สดชื่นเนี่ยไปเอาสุขไปแล้วหลงนิดต่อ เลยลืมปลาลโลกความเพียรไปเอาแต่โศกคิดอะไรไปคิดต่อคิดแตกชานไปทั้งหมดนะไปหลงไปในความคิดกลายเป็นกิณตยานกลายเป็นวิปัสสนุบางคนก็เอาไปเลยเอาไปออกมาก็จึงเลยวิปัสสนุหมดเลยเสื่อมเลยพอวิปัสสนุเสื่อมก็ต้องตั้งต้นใหม่ ถ้าขนาดนั้นถ้าไม่หลงหเวลามันรู้อะไรต่งางๆไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นผู้ลู้เห็นมันลูกนะเห็นมันลูกนะพอเห็นมันลูกเห็นมันสุกอย่างนียมีสติเนี่ยไม่เซลราเลยกลับมาของคนเห็นสุขก็ลืมลืมสติไปไม่ได้กลัาลบความเพียรอยู่กับความสุขอยู่กับความรูกของตนเองบะไางนี้ ลืมความเพียรลืมสติไปก็ได้จุดก็ของก็ไปใน่ลอดมันก็จบหายหมดของคนหายหมดอแต่ผู้ตากแต่ว่ามันไม่เก่งจิตใจมันไม่แก่งยังมีกิเลสตัณหายังมีความโลภความโกรธความร้องพวกเราเป็นนักเดินทางต้องไปเรื่อยๆนะลู่เรื่อยไปลู่เรื่อยไปนะอะไรที่มันสุกก็เห็นความสุขล้วกลับมา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 เาว่าสตินี่คือมาไวนะไม่ได้ชาเลยนะสับแปลอันหนึ่งเลยะรูปสึกตัวเน่ยมันมาไวอันอื่นชามากตัวที่จะโกรธเนยโอ้ก่อนจะโกรธมันช้าชาละคนจะโกรธมันก็ต้องลําดับเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ทํำไวเป็นอย่างนั้นทำไวเป็นอ่าแนวร่วมโอ้ตัวที่จะโกรธได้แล้วพอที่จะโกรธเพราะว่าเมันก็อยกระหายกังหานแนวร่วมเพื่อใมันโกรธ แต่ความรู้สึกตัวไม่ต้องมีแนวร่วมอะไรไว้ไว้อับทันทีเอาถึงรู้กายรูใจรู้ทุกอย่างรู้สึกตัวรู้สึกตัวลบไปเลยมันก็ยจายไม่ให้ข้องติดขนส่งไปเลยลวมพ้นไปเลยนำไปเลยเป็นทางวินัยนะวิอวิเศษนัยเป็นำไป นําไปสู่อย่างวิเศษแต่บางทีพระพุทธเจ้ายัางบอกว่าผมรู้สึกตัวแหล่ยเป็นวินัยด้วยพอ ม, มาไหวไม่ได้ผิดศีลเลยไม่ได้ผิดศีลไปทําหนอมันมาไหวจนถึงพระ อ, องค์เลยตรัสว่ามีสติเป็นหนา้าลอกเหมือนพระเค น, นันสกผู้มีสติเป็นวิ น, นัยอ่คือไม่เผลอเลย มีสติเป็นเวลาพระเฆนสุกเขาคือประนลังมีสติเป็นหน้ารอบมันไหวมันไหวะถ้าเราฝึกนะขอให้เราฝึกให้ให้เราฝึ ก, กะนะฝึกอันอื่นเป็นยากถ้าฝึกสติเนยเป็นง่ายง่ายให้เราสืบตัวได้ง่า ย, ย, ายถ้าฝึกให้หลงเนี่ยโอ้ยมันไม่จริงหรอกถ้ฝึกให้เราสึบตัวเนี่ยมันจริงอ่า แต่เมื่อมันรู้สึกตัวเราโอ้ยจะมาบางขมขังคมคืนให้หลงมันก็ไปเอาเราเพราะไม่ถูกต้องเห็นลูกชังไงแ ม, มันก็เป็นลูกจริงๆเห็นน้ำมันก็เป็นนามจริงๆมันไม่เป็นอันอื่นเรากายเคลื่อนไหวมันเป็นลูกประธรรมลูกมันทำเห็นลูกมันทำเห็นนามมันทำมันทําอะไรมันทําดี ถ้ามันทําดีสบายเลยถ้ามันทําชั่วต้องเปลี่ยนเป็นความดีเรียกว่าปฏิปฏิคือเปลี่ยนร้ายใจเป็นดีเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเรียกว่าปฏิบัติรูปมันทำนามมันทำเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมตรงนี้จริงจริงชีวิตของเราต้องตั้งต้นจากตรงนี้การกระทําเนี่ย มันเป็นสิ่งที่นิยิดชีวิตนะพระเจ้าสรรเสริญเรื่องการกระทําศาสนาพุทธศาสนาเกิดจากการกระทําไม่ใช่เกิดจากเหตุจากผลเกิดจาก ก, การกระทําการกระทําก่อนจึงจะไปมีเห็นเหตุเห็นผลถ้าไม่มีการกระทําจะไปอเนจต้งผลเลยของปลอมๆถ้ามีการกระทําแล้วนะเมื่อมีการกระทําแล้วไปเห็นความรู้ไปเห็นความลหามลง ไม่มีใครแปลความหลงไม่มีใครแปลความทุกข์มันจะเปลี่ยนแต่เดียวว่าปฏิบัตินักปฏิบัติก็อยู่ตรงนั้นเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์อันละตัวนักปฏิบัติถ้าเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้ก็พลาดสิคลับแต่จริงๆสติต้องเปลี่ยนผู้ที่สร้างสตินะดูได้รู้ได้มาไว ความรู้สึกตัวม า, าไว้กําลังใจสุขอ้าวสติมมาแล้วรุ่งแล้วอ๋อยกออกแล้วกําลังจะทุกข์อ้าวสติมาแล้วเป็นไปได้ย่อมเพราะไม่เยิงทั้งสองอันผมรู้สึกตัวเลยลบออกหายเหลือศูนย์เหลือศูย์ความโกรธก็เหลือศูนย์ความทุกข์ก็เหลือศูนย์ความสุขก็เหลือศูย์โดยไม่ในค่าความสุขความทุกข์ผลมีเสถียรนะ แล้วคนทีมีสติมีค่ามากควคนทุกคนกม่ค่าพอใจความสุขก็ไม่ค่าพอใจจนแย่จนเอาเปรียบจนยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่ความสุขแล้วแต่สมมติปัญญาตรอบังคนได้ด่าเขาว่าสุขก็ได้ด่ามันก็สุขรกขมันไม่จริงความสุขเห็นสุขเห็นทุกข์ถึงจริงกว่า จริงๆ ร, งรงเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นหลงเป็นรู้จริงกว่ากลางกลางปฏิบัติธรรมจึงเป็นสัจธรรมไปในตัวเป็นความชอบไปในตัวเสร็จไม่มีคําถามถ้าถามก็ตัวเองถ้าถามก็ตัวเองตอบเอคนอื่นตอบไม่ไม่จริง จึงว่าปัจจัตตังเวคิตะโพวิญยูตินี่คือพระทอเนยศัจธรรมต้องเป็นอย่างนัน้ในช่วงนี้หลวงพ่อก็ไปไปมาเพราะต้องไปเตรียมเริ่มต้นที่วัดโพดขอทองประวิครับวดใหม่ไปจะเข้าพรรษาแล้วพอไปเริ่มต้นอะไรอ่า จากเล็กๆแต่น้อยตามตามความรับผิด ช, ชอบหมูเม็ดเพื่อนผงพวกเราก็หัดท้าใครที่จะเข้าพรรษาก็หัดท่องอ่าอาธิษฐานเข้าพรรษาอันนี้ก็เป็นสมมติปัญญัแนะะ<ช>แต่ว่าควรคนที่จะให้มีอธิษฐานพระพุทธเจ้าก็ยังอธิษฐานนะอ่าอาธิษฐานนะปรเมีแมนว่าเลือดเลืดเนื้อเหงื่อเอ็นกระดูกระปูพังใบก็ตาม ถ้าไม่รู้ไม่เห็นทาเราจะไม่ลุกจากที่นี้ข อ, อนั่งเป็นขั้นสุดท้ายที่นี้อธิษฐานแต่นอนเป็นขั้นสุดท้ายโอ้ยอัศจรรย์สองประโยคเนี่ยไม่มีใครพูดไม่มีใค ร, สรแสดงได้เหมืนอนพระพุทธเจ้าขอนั่งเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยขนาดไหนอธิษฐาน ขอนอนเรื่องสุดท้ายขนาดไหนจะไม่ลุกตอนไหนหรอตอนไหนขอนั่งเป็นขั้งขอนั่งเป็นั้นสุดท้ายขอนอนครั้นสุดท้ายตอนไหนเลยฮะนั่งขี้แล้ก็อธิษฐานใจว่าจะขอนั่งเป็นขั้งสุดท้ายจะไม่ลุกถ้าไม่ลูกอะไรตอนตัดสินลมอ่าตอนตัดสินล อานอนทิฐา น, นะจะนอนเป็นขั้นสุดท้ายจะไม่ลุกอีกต่อไปตอนไหนนะตอนไหนหละ่ะตอนกรางนิพานบอกว่านอนุป่าสังคาติลงไปบนต้นนางลังทังคู่สองต้ น, นขอนอนเป็นคั้นสุดท้ายตอนนิพกานตรงนั้น ท่ พ, อพ่อก็เป็นตัประเทศอินเดียเนีพพ่ยก็ฮินดูเขาไม่เรียกว่าที่ปฏิเนพานเขาเรียกว่าที่สินสส้นคีพของศิทธิักถักครับเราก็พูดองหรือไม่เขาบอกว่าที่สิ้นคีบตัวพวกเราในปฏิเนพานแล้วก็ยอมรับมันกันศิทธิ์ถัมีประวัติลบเลือนในด่า นั่า่ะเขามีศาสนารลัทีมากมายแต่เขายังลบไม่ได้เลยลบประวัติล่องรอยของพระพุทธเจ้าไมา่ได้เลยฮ น, นเราเนี่ยมีหลักฐานสมบุญณ์แบบของศาสนาของเราเะาะไรนะท่านพ่กก็จะไปดูวันนี้สั่งไม้มาจะต้องไปดู ไม่ถ้าเรามาทาไมตรวจสอบสิบ่้ามันจะพลาดก็จบท่าน้ก่อนนะกลับพระพรกอรหังสมมาสมบูรโ์วัคกวะทุถากัพวันตังระเวิ วาคาโตวากาวะตาโมอาหมันนามาสันสุปฏิสันโนภาควาโตชาวาต้าโมจังคังนามา